สิกขาบทที่6เรื่องพระชัพพะคี622สมัยนั้นพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถาบินธิกาเศษฐีเขตกรุงสวัรถีครั้งนั้นพวกพิสุชัพพะคีชันอาหารทำกระพุงแก้มตุยพระบัญญัติ 6. พึงทำความสำเนียกว่าเราจะไม่ชันอาหารทำกระพงแก้มตุยเรื่องพระชพคีจบ ศิษยาบทวิพังภิกษุไม่พึงฉันทํากระพุ้งแก้มตุยภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อฉันทํากระพุ้งแก้มตุยข้างเดียวหรือสองข้างต้องอบัติทุกกดอนาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัติคือ 1. นึ่พิษุไม่จงใจสองพิษุไม่มีสติ3ามพิษุผู้ไม่รู้4ี่พิษุผู้เป็นไข้5้าพิษุูฉันผลไม้ต่างๆ6าิกษุผู้มีเหตุขัดข้องเจ็ดพิษุวิกลจริต แิสูุต้นบัญญัติสิกขาบทที่6จบ